ในเวลาเป็นยามสุดท้ายเห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วระมาะทำจิตให้มีความสงบกันระมาะใส่ความเพียรลงไปในจิตใจของเรากันเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีกำลัง ประกอบด้วยปัญญาให้เห็นถึงความจริงที่แตกต่างเริ่มต้นด้วยการที่เรามามีสติสัมปชัญญะในวันนี้ให้ทัตโมฟังมาพิจารณาอยู่ในกายมีสติอยู่ในกายของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ทัตโมฟังว่าสแซมุรุษคือคนดีทั้งหลาย บรรเทาความสุขด้วยความทุกข์หรือบรรเทาความทุกข์อันยากที่จะอดทนได้นั้นด้วยความสุขปนุชทุกเขนสุ ข, ขังชนินทะสุขเขนวาตังทุกขมะไสห์สาหินังร่างกายคนเรานี้เวลาที่มันมีความสุขประกอบด้วย สิ่งที่น่าพอใจมันก็เกิดสุขเบญนาขึ้นสุขเวญนาที่เกิดขึ้นในกายนั้นก็มาจากผัจจัหรือสิ่งที่มากระทบกันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขกายของเรามีการทางานแบบนี้มีลักษณะแบบนี้ร่างกายของเรานี้เดี๋ยวบางทีมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นบ้าง ที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เพราะมีผัสสะมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบลักษณะร่างกายก็เป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีสุขก็ยังเช่นมาอากาศเย็นสบายกินอาหารอร่อยอร่อยได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งที่น่าพอใจดนตรีบุคคลเสียงได้หมด เป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็เกิดสุขเวทนาหรือถ้าถูกด่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปเหล่านี้เป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ร่างกายของเราก็เกิดทุกขเวทนามีทั้งทุกขมีทั้งสุขเป็นเวทนาทางกาย ที่เกิดขึ้นอยู่ในกายของเรานีให้เราตั้งจิตตั้งสติของเราไว้ในกายให้จิตของเราอยู่ในกรอบขอบของผิวหนังมีพารามิเตอร์มีอนณาเขตตั้งแต่ข้างบนคือปลายผมจนถึงข้างล่างคือปืนเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ให้จิตของเรามาทาการใกล้กรวนไตรตรองพิจารณาเห็นอยู่ในกายของเรานี่เห็นไตรตรองใกล้กรวนพิจารณาก็คือให้ดูในกายของเราไม่ให้จิตของเราออกนอกกายของเรานี่ไปออกนอกนคือยังไงเช่นเดี๋ยวเสียงบ้างนี่ข้างบ้านทำอะไรนะใครขับรถมานะอันนี้ทรงจิตออก ผ่านทางรูหูไปตามเสียงที่ได้ยินหรือเอ๊ะพรุ่งนี้จะทำอะไรนะเอ๊ะแล้ววันนี้ใครจะมาหานะเอ๊ะเดี๋ยวจะกินอะไรดีนะอันนี้ส่งจิตออกไปทางช่องทางใจไปตามความคิดนึกต่างๆหรือถ้าได้กลิ่นว่าไอ้ข้างบ้านเขาทากับข้าวอะไรหรือรถขยะมา หรือกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารก็ตามไปแล้วว่าอีเข้าทำอะไรกินแล้วมันจะไปไหนต่ออเรามันเป็นดอกอะไรแล้วยังไงยังไงอันนี้คือส่งจิตออกทางจมูกไปตามกลิ่นที่มากระทบใหม่ๆๆม่วันนี้เราให้จิตของเราอยู่ในกราบขอบ ของผิวหนังมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบจากพื้นเท้าถึงเบื้องบนจากปลายผมถึงเบื้องหลังเวลาให้จิตของเราอยู่ในกายนี้เห็นข้อแรกนี้เลยตัมบูฟังว่ากายนั้นมีสุขได้มีทุกข์ได้เป็นธรรมดา ถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบกายนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอุณหภูมิกายมันก็เกิดสุขเป็นสุขเวทนาขึ้นมาถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกมากระทบกายนี้กายนี้มันก็จะเกิดทุกขเวทนามีความทุก อยู่ในกายนี้ขึ้นมามันก็ตามปัจจัยไงตามเงื่อนไขไงจะมีเวทนาก็ต้องมีผัษสมีภาษสะแล้วจึงมีเวทนาเวทนาก็เป็นผลของผัสสะผัสสะก็เป็นเหตุของเวทนากายขอเรานั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ แล้วก็ที่มันจะไม่ได้บอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขก็เรียกว่าอะทุกขะมัสสุกเวทนาก็มีด้วยเวทนาสามอย่างนี้แหละมันมีเกิดขึ้นหลักๆ ก, ก็คือสุขและทุกข์ไอ้เจ้าทั้งสุขทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่มันมาตามเงื่อนไขปัจจัยนี่มันก็เกิดขึ้นหายไปตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นสุขเนี่ย มันจะหายไปมันจะไม่อยู่ก็เมื่อมีทุกมาแทรกแซงมาเปลี่ยนแปลงมาทำให้สุขนั้นมันหายไปทุกก็เหมือนกันอนะเวลาที่ทุกมันมีอยู่เออถ้ามีเหตุปัจจัยแห่งความสุขมาแทรกให้เจ้าความทุกนี้มันก็หายไป เขาจึงเรียกว่าบรรเทาทุกข์ด้วยสุขเบญจนาได้ถ้าพูดอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นการบรรเทาคือทําให้ทุกข์มันหายไปด้วยสุขแต่ถ้ามองกลับกันนะเตมฟังเจากเมืองสกครู่เออสุขมันหายไปก็ด้วยทุกข์เหมือนกันนะ่ะจะเรียกว่าบรรเทาก็ได้เหมือนกันเพราะมันก็ลักษณะเดียวกัน มีเหตุปัจจัยแห่งความทุกมาเฉาความสุขที่มีอยู่มันหายไปมีเหตุปัจจัยแห่งความสุขมาเฉาความทุกที่มีอยู่ก็หายไปลักษณะดเดียวกันเลยสุขกเวทนาก็บันดทาความทุกมาฟังให้ดีนะบะทุกขเวทนาก็บันเทาความสุขความสุขที่เรามีอยู่ก็ถูกบันดทาไปถูกทําให้หายไปให้ปเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผัสสะอันเป็นที่ตแห่ออความทุกข์คือเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนหรือถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรซ ะ, ะหน่อยนะเ อ, อสุขเวทนามีอยู่เ อ, อถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตัองอ้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมากระทบก็เกิดอะทุกขกรรมสุขเวทนาขึ้นอะทุกขกรรมสุขเวทนาก็มาบรรเทาความสุขได้เหมือนกัน เ, ออเราแล้วดูเจ้าทุก ข, ขเวทนาดูได้ไหม เอาสองอย่างมาแทนมันมีทุกขเวทนาอยู่อ่ะแล้วถ้ามีปัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบสุขเวทนาก็เกิดขึ้นสุขมันก็มาบรรเทาความทุกข์ใช่ไหมหรือถ้ามีปัสสาะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมากระทบในขณะที่คุณมีความทุกข์อยูอ่ะทุกขมาสุขเวทนาก็เกิดขึ้นมาบรรเทาทุกขเวทนานั้นมาทําให้ทุกขเวทนานั้นมันจางไป หายไปดับไปเออเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วก็ไอ้เจ้าทุกข์กับมาสุกุเวตนานี่ย ก, กันนะมีความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์มาอยู่เกิดมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบทุกขเวทนามันก็มาบรรเทาไอ้เจ้าความรู้สึกเฉยๆกลางๆนี่ไปซะให้มีทุกขเวทนามาแทนที่หรือถ้ามีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบ ในขณะที่มีอาทุกรมสุขเวทนาอยู่เออก็มีความสุขมาบรรเทาแทนที่ในเจ้าอาทุกรมสุขเวทนานั้นเวทนาสามอย่างนั้นก็จะบรรเทากันและกันหมายถึงมีภาษาใดมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งไปหมุนไปวนมาเปลี่ยนแปลงไปบรรเทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ได้ด้วยอีกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่านใช้คนี้เลยคำวังบันเทาไปหรือคลายไปอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขปัจจัยมนุษย์เราโดยทั่วไปก็จะรักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมละ่ะรักสุขเกลียดทุกข์มีทุกข์ไม่เอาไม่เอาเอ า, เอาความสุขดีกว่าจึงมักจะเรียกเฉพาะขาที่มีทุกข์อยู่แล้วมีความสุขมาแทนว่า เออมันบันเทาลงอย่างเดียวกันได้หมดเลยตัวฝังมีความสุขอยู่แนละ้วมีความทุกมาแทนความทุกนั่นแหละก็มาบันเทาความสุขนั้นไปไกรควรให้ดีนะตัวังนะคิดไตรตรองให้รอบขอบเรามีความทุกอยู่มช่ไเออมีความสุขเกิดขึ้นเออเราก็รู้สึกวบันเทาลง เออความทุกข์มันบรรเทาลงด้วยอะไรนะสุขเวทนาเออหรืออย่างน้อยมันคลายเจ็บลงไม่ต้องไปถึงแบบมีความสุขแฮปปี้อะไรมากอะ่ะปวดขาปวดเอวปวดท้องปวดหัวปวดหลังเออแล้วมันบรรเทาปวดได้บ้างเนี่ยนะคืออะทุกขกรรมสุขมาแทนที่ทุกขเวทนาเนี่ยเราก็เรียกว่าบรรเทาใช่ไหมล่ะเออมันเปลียปลปล่ยนไปละทุกขเวทนาเปลี่ยนไปละ บรรเทาลงละหายไปละดับไปละด้วยอะไรนะอนทุกขกมสุกใบชนะเอาครีมมาทาบ้างหรือเอายามากินบ้างแต่ว่าถ้าเอาครีมมากินแล้วเอายากินไปบดๆผสมน้ำมาทามันไม่บรรเทานะเออมันใช่คนละอย่างไม่ถูกขนาดเขานี่มันไม่หาย ไอ้ที่ว่ามันบันเทามันก็ต้องตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีปัจจัยเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเคยขึ้นไอ้ความทุกข์ก็หายไปความสุขก็หายไปอะทุกข์ก็มาสุขก็มาแทนมองอีง ม, องมุมหนึ่ง น, นะมองจากตัวเหตุปัจจัยดับสองอย่างทั้งสุขและทุกข์ด้วยอาทุกกมสุขกเวทนามองจากเหตุปัจจัยคือปัจอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ในเจ้าทุกข์ความสุขกเวทนาและทุกขเวทนาก็ดับไปหายไปพอมีความสุขขึ้นมาแทนที่เช่นอากาศกำลังเย็นสบายได้รับคำชมได้รับเงินทองสุขเกิดแล้วไงให้ถี่เฉยเยธรรมดาหรือที่ทุกๆอยู่หายไปแล้วนะมาจากมุมของเหตุปัจจัย คือถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นสุขที่มันมีอยู่อะทุกข์มาสุขที่มีอยู่หายไปดับไปเช่นถูถกด่าถูกว่าถูกทำร้ายถูก ต, กตีอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปไอ้สุขสุขที่เรามีอยู่หรือเฉยเฉยที่เรามีอยู่หายไปดับไปเลยนะมันบินเท่ากันละกันมันเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไขปัจจัย มีการบันเทาความสุขด้วยความทุกข์บันเทาความทุกข์ด้วยความสุขคนที่มีปัญญาคือสัตว์บรุษนี่ตั้ฟังเขาจะต้องเห็นข้อนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่างรอบด้านไม่ใช่ว่าด้านเดียวคือเห็นด้านทุกข์จากความสุขด้านเดียว มีทุกข์อยู่เอออยากจะบันเทาทุกข์ก็โดยสุขบ้าง้วยอาทุกขกมสุขบ้างนั่นเห็นด้านเดียวเห็นไม่รอบด้านรู้จักแต่จะเสวยสุขรังเกียจแต่ความทุกข์เฉยๆนี่ก็กไม่เคอยอยากอธรรมดานะ่เาเฉยๆนะ่าเห็นแง่มุมเดียวจะว่าไม่ถูกก็ไม่ใช่คือมันเป็นความเคยชินน่ะ มีอันนี้อันเดียวมันก็ยังดีกว่าไม่มีไม่เข้าใจอะไรเลยยังดียังดีนี่คือหมายความว่าก็เป็นธรรมชาติของคนเนอะที่มันมักจะเพลอเปลินที่ว่ายังดีที่รู้จักอย่างน้อยแง่มุมหนึ่งเนี่ยเพราะเช่นเดียวกันดูบ๊วยวังเราปรับมามองดูนะั้นด้วยปัญญานะเราจะรู้ถึงสุขก็ต้องมีทุกข์มาเปรียบใช่ปะละ่ะ ในที่นี้ท่ก็เอาทุกมาเปรียบด้วยเอาอทุกขมสุขมาเปรียบด้วยเออจะบรรเทาความทุกได้ก็โดยความสุขบางด้วย อ, ại, อทุกขมาสุขบางจะบรรเทาความสุขได้เออใช่ทุกด้วยอาทุกขมาสุขด้วยจะบรรเทาอาทุกขมสุขได้ก็ด้วยสุขด้วยโดยทุกด้วยใช่ไหมคือมันทั้งสามอย่างจะเห็นอย่างเดียวไม่ดีไม่ได้ไม่พอมันก็ได้มุมเดียวจะฉละจริงต้องเห็นสามมุมเลย เห็นขยายต่อไปอีกว่ามันตามเงื่อนไขปัจจัยกองมันเป็นอย่างงี้เรามีความเพลินมีความเคยชินมันดีตรงไหนตรงที่ว่าจะละความเพลินละความเคยชินมันก็ตรงนั้นแหละโอ้ยังไงนะท่านก็จะบอกว่าเราไม่มีปัญหาจะ้ะล่ะไอปัญญาที่จะใช้แก้ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเออคือถ้าเราไม่โง่เราจะฉลาดได้ยังไงถูกบ้า ถ้าคนฉลาดฉลาดอยู่แล้วจะเอาความฉลาดไปใส่ตรงไหนอ่ะก็ฉลาดอยู่แล้วมันไม่มีความโง่ ม, มาเป็นตัวปเปรียบไงมีความทุกข์อยู่มันจึงมีการพ้นทุกข์ได้ไงก็ถ้าเราจะมีแต่ความพ้นทุกข์พ้นทุกข์แล้วมันจะพ้นจากอะไรได้ถ้ามันไม่มีทุกข์ใช่เปะละ่หรือเราจะหาโซลูชันคือทางแก้ โอสลูชั่นนี้ดีมากๆเลยสโลูชั่นมันจะไปมีค่าอะไรถ้าไม่มีปัญหาใช่ละ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวไม่มีสถานการณ์เลยทางออกของปัญหามันไม่มีค่าเลยคือไขควงเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่มีน็อตอมันไม่มีสกรูที่จะให้ใบไขนี่มานายซ่อมเหรอซ่อมก็ใช้แก้ปัญหาเรื่องกินอาหารใช่ะ่ะ ที่มันจะไปยังไงเออมันมันใช้ไม่ได้เลยโซลูชนันทางแก้ปัญหาทางพ้นทุกข์จะไม่มีประโยชน์เลยตะบูฟังถ้าเราไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์ไม่มีสิ่งที่จะให้มันเอาไปใช้อ่ะมองมุมนี้ด้วยนะด้วยปัญญาตะบูฟังด้วยปัญญาปัญญานี่แหละ มันจะไม่มีค่าเลยเลยจะบอกว่าเรายังไม่มีความไม่เข้าใจก็ถ้าเราเข้าใจทุกอย่างแล้วมันก็คือปัญญาทุกอย่างแล้วมันจะเอาอะไรไปเปรียบเราว่าอนนี้คือรู้หรือไม่รู้รรแลวเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ต้องไม่เข้าใจมาก่อนมันก็ต้องไม่รู้มาก่อนไงยูง่ายๆก็ต้องโง่ามาก่อนนั่นแหละโง่ามาก่อนไม่เข้าใจมาก่อนทาไม่ได้มาก่อนมันจึงจึงทาได้รู้เข้าใจฉลาดมีปัญญาขึ้นมา มันต้องมีคู่เปรียบตัม ง, งั้างการบันเทาการเปลี่ยนแปลงมันจึงมีขึ้นมาได้ทีนี้แนวทางที่พระพุธทธเจ้าท่านใวัยเนี่ยท่านรัดกลุ่มรอบคอบไปกว่านั้นอีกเอาเรื่องของสุขทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยที่มันบันเทากันและกันมันเปลี่ยนแปลงกันไปให้แก่กันและกันต่างนั้นบ้างทางนี้บ้างตามเงื่อนไขปัจจัยเนี่ เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในกายของเราเเรียกว่าเวทนาทางกายภาษาที่ท่านใช้จะาใช้คำว่าสุขเวทนาทุกเวทนาอะทุกข์ะกขมะสุขเวทนาทางใจก็มีสุขทางใจทุกข์ทางใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขทางใจก็โดยลักษณะอย่างเดียวกันว่าถ้ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ที่เป็นทางใจทุกทางใจก็เกิดขึ้นทุกทางใจก็เรียกว่าโทมนั์สุขทางใจก็เรียกโสมนั์จะไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเออคานี้ใช้ได้ทั้งทางกายและทางใจเป็นทุกข์กามสุขเวทนาทางใจได้ในที่นี้ข้าพเจ้าก็รวมหมายถึงเจ้าอุเบกขาด้วยนะเอออุเบก ขาทางกายอุเบกขาทางใจก็มีทีนี้ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจที่ตามเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นคงอยู่บรรเทาลงหรือดับไปทางห้าขั้นตอนเลยนะเกิดขึ้นดับไปใบางทีก็บรรเทาลง บางทีก็เพิ่มขึ้นหรือบางทีมันก็คงอยู่ได้หมดเวลาพูดชั้นๆง่ายๆเอาใจความไม่มันเร็วๆเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เก็จะไหาอย่างนี้แต่บางทีมันบรรเทาลงก็ได้บางทีมันเพิ่มขึ้นก็ได้บางทีมันคงอยู่ก็ได้าได้หมดนะเวลาพูดเร็วๆเนี่ยเราจะทําความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งแยกมันออกมา คลี่มนาาันออกมาในช่วงของจิตตวิเวเราทําจิตให้มีความสงบให้มีความระงับนี่เราฝึกกันประมาณชั่วโมงเราทําให้ละเอียดเลยตั้บวัลย์าำให้ละเอียดแยกแยะคลี่คลายให้มันกว้างขวางออกไปในจิตของเรานี่มันลึกและกว้างทั้งใหญ่และยาว จะให้เห็นในที่มันลึกซึ้งกว้างใหญ่อย่างนี้มันต้องใช้แสงสว่างใช้ปัญญาให้มากเวลาใกล้กรวนไตรตรองพิจารณาไปตามเจ้าเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่มันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัย มันเทาไปได้เพิ่มขึ้นก็ได้คงอยู่ก็ได้หายไปดับไปหรือเกิดขึ้นก็ได้ตามอะไรนะเงื่อนไขปัจจัยลักษณะแบบนี้ตั้งฝังเรียกว่าทุกทุกแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือจะเอาผล อย่างเดิมนี้ไว้ถ้าเหตุเงื่อนไขมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนตามสิอา้าวอย่างเช่นสุขเวทนาคุณมีอยู่ใช่ปะ่ะไอ้จามันเท่าสุขก็ก็บอกว่าได้โดยทุกช่วยไหมอ่ถ้ามีผัสสรเป็นที่แท่งความทุกขมากระทบอ่ะเช่นกินอาหารอร่อยอร่อยอยู่เงี้ย่ไหมมีผัสสะเป็นที่แท่งความสุขอยู่ใช่ปะ่ะ โอ้หอันนี้เป็นอาหารที่ฉันชอบกินมากเลยทั้งน้ำซุปนี่ก็รสชาติเข้มขน้นทั้งกระดูกหมูนี่ก็โอ้โหทั้งนุ่มทั้งรสชาติกลมกลม่อมโอเคนี่มันเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นมีอยู่คงอยู่ตามอะไรก็ตามภาษาที่มันมีมากระทบนี่แหละตอนนี้พอกินไปกินไปอร่อยอร่อยมากมากเลยตั้งสติดีนะ อย่าให้จิตมันออกผ่านหลุดนอกกายไปตามรสที่มาทางลิ้นหารสอาหารต่างๆนั่นนี่หรือให้ไปทางใจุลุกออกนอกกายผ่านทางใจไปตามความคิดนึกธรรมร่มยุดๆยุดยุดยุดให้เห็นด้วยปัญญานะว่า สุกเกียรนาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมปราปส า, ามาใช่ไหมแล้วขณะที่กินไปกินไปเนี่ยที่มันอร่อยอรมก็หิวด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่ชอบด้วยแต่พอความหิวเนี่ยมันบัดเดาลงไปทำไมนะเพราะอิ่มไงจะอิ่มได้มันก็ต้องหิวใช่ไหมล่ะหิวก็จึงเป็นเหตุให้อิ่มได้ไง จะรู้ถึงอิ่มได้มันก็ต้องหิวเออพอหิวแล้วเป็นทุกขเวทนาเออกินอะไรอะไรปุ๊บไ อ, อ้เจ้าหิวเนี่มันหายไปเออทุกขเวทนาตรงท้องหายไปฮะไอ้ความสุขที่อยู่ที่ลิ้นก็เบาบางลงเบาบางลงเนี่ยก็คือสุขเวทนามันมันบรรเทาลงเออมันเริ่มเป็นกลางกลางมากขึ้นละโอ้ยไ อ, อ้ี่ตะวันตะกี้กินอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยเออมันก็อร่อยธรรมดานะ มัได้มากมายเ่าตอนที่เราหิวพออิ่มแล้วอาหารที่อร่อยๆอมันก็โอเคธรรมดาจางลงไปหน่อยความอร่อยนี่มันเทาลงแล้วนะมันเทาลงด้วยอะไระทุกขกมนสุขก็เว็นดามาจากไหนเนี่ยเพราะว่าความหิวมันหายไปดับไปด้วยอะไรนะความอิ่มที่มาแทนที่มาไงเนี่ยก็ผ่านสายเป็นที่ถึงความอิ่มมาไงตรงไหนอาหารที่มันเข้าไปในท้องนั่นแหละ ทำให้ทุกขเวทนาตรงส่วนตองเนี่ยหายไปเป็นอะไรขึ้นมาแทนเป็นอทุกขกรรมสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาแทนเพราะอะไรเพราะว่ามีอาหารเข้าไปใส่ไงอาหารคือปัสสาะตรงนี้มาใส่ที่เรากินเข้าไปทางปากถูกบีบคั้นด้วยความหิวหิวจึงเป็นเหตุให้ได้อิ่มอิ่มจะมีเกิดขึ้นได้ก็ต้องหิวไม่มีหิวก็จะรู้สึกถึงความอิ่มได้ไง พวกเทวดาเนี่ก็ไม่รู้กันนะเพราะเทวดาเนี่เขาไม่ได้จะหิวเลยเขาจึงไม่ได้ว่าจะอิ่มเลยคือมันก็จึงเรื่องว่าเป็นอิ่มทิพย์ไงคือมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาแต่จะพูดภาษามนุษย์เพราะว่าความหิวมันไม่มีเลยที่ว่าจะต้องมาหาอะไรกินเติมช่องว่างในท้องไม่มีประว่าเป็นลักษณะของเทวดาเขา จะิ่มกินอาหารอะไรนี่เป็นอาหารที่รู้แต่รสชาติแต่ไม่ได้ว่ามีความหิวที่ท้องเป็นลักษณะความสุขที่ละเอียดกว่าประนี่กว่าเป็นตามแบบฉบับของพวกเทวดาเขาก็ต่างกันต่นี่ปอกินเข้าไปกินเข้าไปขณนะที่ว่าเออสุขเวทนามีเต็มที่เลยเนี่ยแล้วก็มันก็จางจางลงไปตามความ อิ่มที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความหิวที่มันลดลงลดลงใช่ไหมแม่แต่ว่าถ้าของชอบจริงๆเนี่ยนะอิ่มยังไงมันก็ยัอร่อยอยู่ใช่ป่ะล่ะแต่ถ้ากินไปกินไปเนี่ยในที่นี้ก็เช่นพูดถึงบากุเต้ น, นี่ก็ะแดฮังชอบกินบากุเต้กินน้ำซุปกระดูกหมูอร่อยมากเลยกินไปเสร็จกินไปเสร็จปุ๊บจนจะหมดถ้วยก้นถ้วยแล้วเนี่ย เจอฟันปลอมมนบุฟังทั้งแผงเลยอ่ะโอยฟันปลอมของอัปแปะที่ต้มบากุเต้เนี่ยแหละมันหล่นลงไปในนี้ได้งไงโอโ้โหแล้วมันจะไปมาอยู่ในชามเราเนี่ยนะแล้วมาเจอตอนที่กินจนถึงก้นด้วยแล้วอ่ะสับให้ละเอียดในบุนฟังพี่เจริญารับเขาตั้งจิกใจให้ดีอย่าให้มันไปตามอาร ม, มราณความรู้สอะไรต่าง ตั้งจิกรายรอบครอบดูให้ดีว่าอ๋อสุขเวทนาที่มีอยู่ที่บบมันเปลี่ยนมาจากความทุกข์ตรงหิวอะแม่แต่พอคิดถึงเรื่องนี้เพื่อมันจะมีความสุขขึ้นมาเลยนะมีความสุขชัดเจนขึ้นมาเสปปร็จเพื่อพออิ่มเข้าอิ่มเข้ า, ข า, ขาเนี่ยเริ่มลดความหิวลงลดความหิวลงเออสุขเวทนามก็จางกลายไปจางกลายไปนะเริ่มเป็นอทุปกรมสุขเวทนาที่มาขึ้นมาขึ้น เฮ้ยจนมาเป็นความทุกข์อีกครั้งหนึ่งเป็นความขยะกขยงอีกครั้งตรงที่เจอฟันปลอมนี่แล้วอยู่ในถ้วยซุปกระดูกหมูที่เรากินอยู่เนี่โททุกเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นทันดีเลยนะจากที่ว่าอทุกขกมสุขตะกี้ก็หายไปเลยนะสุ ข, ขเวทนาตะกี้ ก็หายไปเลยนะมีทุกขเวทนาแบบนี้เกิดขึ้นมาแทนบางคนอาจจะคิดว่ามันทุกตรงไหนนะท่านเราก็ภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มันปรากฏขึ้นไงภาษาอันเป็นที่แั่งความทุกข์มันตรงไหนนะก็ตรงที่ฟันปลอมมันไม่อยู่ในที่ของมันเน่ยฟันปลอมมันต้องไปอยู่ในปากเราใช่ไหมล่ะทั้งแผงเลยนะเขาทําฟันปลอมประกอบไว้ด้านบนอย่างเงี้ย มันหลุดออกจากเหงือกมาไงไม่รู้หล่นลงไปในหม้อแล้วก็ตักมาอยู่ในน้ำซุปของเราเนี่ยแต่เราก็กินเข้าไปจนจนจะหมดแล้วเหลือก้นถ้วยนิดหน่อยดันไปเจอสิ่งนี้เนี้ยมันเป็นผสัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ตรงที่ฟันปลอมมันต้องอยู่ในปากมันต้องติดอยู่กับเหงือกมันทันมาอยู่ผิดที่ผิดทางบะเดินมันอยู่ในถ้วยซุปเนี่ยสิ นี่แล้วมันเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเลยทีนี้ถ้ามันอยู่ถูกที่นะเช่นฟันปลอมมันก็อยู่ที่เหงือกใช่ไหมกระดูกหมูน้ําซุปมันก็อยู่ในถ้วยในชามถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันไม่มีปัญหาไงมันดีมันเป็นภาษาอันเป็นที่แห่งความสุขแต่พอมันอยู่ผิดที่เนี่ยเออมันนั่นเป็นทุกข์ขึ้นมาคือมันตามเงื่อนไขปัจจัยอะ แล้มันก็ไม่ได้จคงที่คงตัวต่าบว่าไอ้ฟันเนี่ยมันเป็นสิ่งดีสิฟันปลอมนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเคี่ยวอาหารได้ดูสวยงามเ้าจึงไปใส่ไว้อยู่กับเหงือกใช่ปะล่ะเอ้ยแม้แต่ถ้ามันดีจริงจิมันทุกที่มันก็ต้องดีป่ะอยู่กับเหงือกติดอยู่ที่ในปากดีแล้วอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องดีด้วยอยู่ในถ้วยซุปก็ต้องดีด้วย อยู่ที่ร้านหมอก็ต้องดีด้วยต้องดีหมดสิเพราะว่าถ้ามันดีหมดจริงๆอ่ะแต่นี่มันดีบางที่ไม่ดีบางที่อันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นสาระที่เหมือนน้อยมันไม่เที่ยงเป็นสาระที่มันจะเอาสาระในเวลาที่มันอยู่ปิดที่มันไม่ได้คุณคิดว่าคุณจะไปใส่ฟันปลอมในหม้อน้าซุปให้มันอร่อยขึ้นหนะคนละเรื่องแล้ว มันคนละที่คนละประโยชน์คนละอย่างใช่เปล่าละนี่คืออ้อมไปพิจารณาจุดนี้มาด้วยนะทุกจุดทุกจุดนะทุกฟังมีภาษาตรงไหนมีปัญญาได้ตรงนั้นเพราะว่าภาษาอันเป็นที่ตั้งใองความสุขบ้างความทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างมันมีอยู่ตลอดเวลาที่เรามีช่องทางคือตาหูจ ม, มกูกลิ้นกายและใจ มีตาอยู่ตรงไหนมีหูอยู่ตรงไหนลิ้นกายใจอยู่ตรงไหนตรงไหนมันมีภาษาอยู่ตรงนั้นตลอดตลอดเรก็คือคนเรามันก็มีพวกนี้อยู่ตลอดแล้วนะคือนอกจากว่าคนหูหนวกใช่ไหมหูหนวกไม่มีหูภาษาทางหูเขาก็ไม่มีแต่แล้วเขามีตาภาษาทางตาเขาก็จะมีแต่หรือต่อให้เราไม่มีส่วนที่เป็นกายอะไรเลยนะ ส่วนเป็นกายนี่ก็คือสัตว์ที่อยู่ในการมาพบหรือว่ารูปปพบทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีกายอะไรเลยอะนั่นก็คือสัตว์ที่อยู่ในอรูปประกบคือไม่มีกายเล ย, เยก็ยังมีใจอ้ายังมีช่องดังใจที่ให้มันมีผ่านสารเป็นที่ตั้งแห่งความสุขบ้างความทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นได้ก็จะทบได้แล้วถ้าเราจะคิดว่า โอ้ก็อรูปประพรมมันก็เป็นสมาธิมันก็สุกตลอดเลยสิโอยมันจะเป็นตลอดมีที่ไหนทุกเขาก็มีทุกของสัตว์ที่อยู่ในชั้นอรูปประพรมไม่มีกายจะมาให้ทุกเราจะมามีแต่ช่องทางใจนี่แล้วก็เป็นสมาธิชั้นอรูปฌานอย่างเดียวทุกมีแน่นอนฟันธงให้ตรงไหนตรงที่สุกนั้นมันเสื่อมไปไง ตรงที่ความสุขนั้นจะถูกบันเทาไปด้วยความทุกข์ตอนที่ชานั้นอ่อนกำลังลงตอนที่ชานั้นเบาบางลงนั่นแหละคือทุกข์ของสัตว์ที่อยู่ในชั้นอรูปประภพบเลือนลงก็มีดับไปหายไปก็ได้ออกจากอารูปประภพบมาอยู่ในชั้นรูปประภพบก็บมีไปอยู่ในกาย ร, ร, ระภพบเป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์เดรัจานไปเลยก็ได้กำลังชาญก็อ่อนได้ปเปลี่ยนแปลงได้บรรเทาลงได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่มาประกอบกันเอาไว้เงืรรนะ่อนไขปัจจัยนั้นมันก็ไม่ใช่อันเดียวด้วยนะก็ไม่ใช่อย่างเดียวมันจะมีหลายเหตุหลายปัจจัยกลัมาตัวอย่างในเรื่องของความหิวของเราเป็นตน้นความหิวหรือความอิ่มดูง่ายๆว่า คนที่เชอบของหวานชอบไอติมอะไรนี่นะโหยกินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยแม้แต่พอเห็นไอศครีมเห็นของหวานหวานเออมันกินได้อีกเว้ยออทำไมเป็นงั้นนะ่ะเออมันแม่ยังไม่อิ่มเออมงคนก็พูดกันถึงขนะว่าเ อ, อมีกระเพาะเล็กๆสำหรับของหวานโดยเฉพาะเออซึ่งนี่พูดเพ่อเจอนะเออจริงๆมันไม่มีอะในท้องเรามีกระเพาะเดียวไม่เหมือนวอร์วมีสี G ่กระเพาะ แต่ว่าด้วยความชอบไงด้วยความชอบมันก็ยัดลงไปกินต่อได้ทั้งนที่ว่าอิ่มแล้วแต่มันมีความเคยชินเนี้ยความเคยชินที่ฉันชอบของหวานเออก็กินของหวานได้ทั้งนที่อิ่มแล้วแต่กินได้ก็ยัดลงไปคือเหมือนหิวนะ่ะจริงๆไม่ได้หิวเพราะท้องว่างแต่หิวเพราะอยากไงมีความอยากนั่นแหละมันคือความหิว หิมแล้วอยู่คือท้องไม่ว่างแต่กินได้เพราะหิวคืออยากในขณะที่ถ้าท้องว่างจริงๆท้องว่างจริงๆหิวจริงๆเลยเนี่ยนะโอ้นี่คือหิวจริงๆกินอะไรก็กินได้ละของที่ไม่ชอบอาหารที่ไม่อร่อยก็กินได้เพราะว่าหิวหิวที่เกิดจากท้องว่างแล้วถ้ารวมกับหิวที่เกิดจากความอยากด้วยใช่ไหม เรามาเจออาหารที่ชอบท้องก็ว่างอโทษมันกินเป็นสองเท่าสามเท่าเพราะอะไรเพราะว่ามันหลายเหตุหลายปัจจัยความรู้สึกอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยรวมทั้งใจด้วยนะมันหลายเหตุหลายปัจจัยดูตัวอย่างความหิวนี่ทั้งหิวตามที่อยากคือตัณหาคือฉันทะ ทั้งหิวจากท้องว่างถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นอย่างหนึ่งถูกทำให้หายไปแล้วเช่นท้องอิ่มขึ้นมาละเฮ้และความหิวจากความเคยชินคือตัณหาเนยยังอยูอย่เออไอความหิวความที่วบบต้องกินเยอะๆเนี่ยมันจะเบาบางลงมันจะน้อยลงเพราะเงื่อนไขปัจจัยนั้นมันบรรเทาไปอย่างหนึ่งละทุกคนทุกอย่างทุกเรื่อง ทุกช่องทางทางตาทางหูงงเป็นต้นเนี่ยท่านผูาังมันไม่ได้เหตุเดียวไม่ได้ปัจจัยเดียวมันทับซ้อนกันหลายอย่างทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันลิงก์กันต่อเนื่องกันมันจึงทำให้แบบมันซับซ้อนสับสนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะคลี่คลายเปิดเผย จำแนกแจกแจงสิ่งที่มันยุ่งอีลงตุงนางนี้ให้เราเห็นไง่านผูวังถึงเปรียบใบเหมือนกับรากของต้นไม้จะมีต้นไม้ที่เป็นประเภทที่รากมันเนี่ยยุ่งเหยิงอีลงตุงนางพันกัน น, นัวเนียเลยเช่นรากของต้นยาบางประเภทในทาประเทศไทยเราก็จะรู้จักยาแฝกเนี่ยนะซึ่งระบบรากมันเนี่ลึก แล้วรากมันก็พันกันใบพันกันมาหรือรากของต้นไผ่เนื้อที่รากของมันเนี่ยโอ้จะแบบยุ่งใหญ่ยุ่งยังยุ่งยังไล่ไม่ถูกเลยเราว่าอะไรเป็นอะไรแต่เปรียบเทียบกับรากของพืชบางประเภทเนื่อชนหมานี่แยกไปกิ่งนี้อันนี้แยกไปกิ่งนั้นอันนี้ยังพอบอกได้แต่รากของต้นไผ่เป็นต้นมันยุ่งเหยิงอีหลงตุงหนังหรือรังนกเป็นต้น สายเส้นฟางเส้นอะไรที่มันเอามาทำเป็นรังเนี่ยพันกันอิลุงตุงนางเพื่อใมันสปอร์ตกันอยู่ได้ไอความวุ่นวายยุ่งเหยิงอิลุงตุงนางของผันศะของเวทนาหลายอย่างทับซ้อนไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวเนี่ยมันยุ่งยิ่งกว่านั้นอีกตั้งบฟังมันอิลุงตุงนางมึนตึงกันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงพันกันมั่วเลย งงงึดไปเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันไปเลยคือถ้าเราเกิดมาในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี่เราจะวุ่นวายมีปัญหายุ่งเหยิงเป็นมากกว่านี้แต่เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าไงตมวังแต่เพราะมีสัมมาสัมพุทธออุบัติขึ้นทำาไมไอ้ความเข้าใจเรื่องภาษาเวทนา หลายเหตุหลายปัจจัยเนี่ถูกคลี่คลายเปิดเผยจำแน่งแจกแจงแยกแยะให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างมีตรงไหนไม่เข้าใจก็ยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจคลี่คลายให้เราเห็นเป็นเส้นเดียวเข้าใจได้ ง, ง่ายง่าย simple simple ว่าเพราะ มีผัสสะจึงมีเวทนาเวทนามีสามแบบสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข ก, ก็มีทางกายก็มีทางใจก็มีทางหูทางตาลิ้นจมูกก็มีแยกออกให้เห็นแต่ละอย่างละอย่างคลี่ออกคือถ้าไม่มีความยุ่งเหยิงไม่มีความมึนงง มันจะไปมีความคลี่คลายมันจะไม่มีความชัดเจนได้ไงใช่ไหมละ่ะเออถ้ามันไม่มีปัญหามันจะไปมีทางแค่ปัญหาได้ไงก็เหมือนกันละ่ะท่านผู้ฟังว่าถ้าเราไม่โง่ไปก่อนมันก็จะฉลาดได้ไงแต่ว่าถ้าคนโง่ดักดานอยู่อย่างเดิมตลอดเวลามันก็ไม่ได้เรือมเหมือนกันนะคุณน้ำก็ต้องมีการพัฒนาการพัฒนาตรงนี้มันก็จึงเป็นเรื่องของการภาวนาไงเรามาทําการภาวนาคือการพัฒนาอยู่นี่แหละ เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากเปลี่ยนแปลงที่ไม่ฉลาดให้ฉลาดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เข้าใจให้ชัดเจนเห็นแจ้งขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจากที่มันไม่รอบด้านเนีน่ยเหนยนกรดดานเดียวว่าเออทุกเนี่ยมันจะถูกบันเทาได้โดยสุขฉันรักสุขเกลดทุกให้มันได้รอบด้านขึ้นมาว่าสุขก็มันเ่าได้โดยทุกเหมือนกัน ทุกข์ก็มาสุขก็ด้วยแล้วก็ไม่ใช่เอาอย่างเดียวแต่มันมาด้วยกันเป็นแพ็คเกจให้ชัดเจนเข้าใจถึงความลึกซึ้งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ไงตั้มฝังเราจึงรู้ขึ้นมาได้และตรงที่บางทีเราไม่รู้แล้วเราก็จะไปรู้ได้ไงว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมละ่ะไอความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันจึงอันตรายมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ด้วย คืออย่างน้อยหิวมันยังทําให้ได้อิ่มขึ้นมาใช่ไหมหรือมีทุกข์มันจึงให้เข้าใจได้ว่าสุขเป็นยังไงใช่ไ่ะเออสุขทุกข์มันยังมีคู่เปรียบคือจะรู้ถึงสุขได้ก็ต้องมีทุกข์มาก่อนคนเราจะมีทุกข์มีสุขได้จริงมันมีทุกข์มาเปรียบเนี่ยอันนี้โอเคเข้าใจละแต่พอไอ้เจ้าถึงความไม่รู้เนี่ยออโอ้ทุกถ้าบอกว่า เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆเนี่ยดูฟังเนียมันจะทำให้ความรู้ให้เกิดขึ้นมันไม่ได้เลยมันจึงยากมากไอ้ตรงกวิชาเนี่ยว่าถ้างั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องรู้อะไรอมันจึงต้องมีผู้นํำไงผู้นําทางไปตรงเนี้ยทางไปเนี่ยมันจึงไม่เหมือน้จุดที่สุขทุกเนี่ยไอ้จุดที่สุขทุกข์เนี่ยเราไม่รู้เรายังแบบเห็นได้ไงเพราะมันก็เอออยู่ตรงนี้แหละซึ่งก็เห็นสุขจันเห็นทุกข์ฉันก็เห็นอยู่แล้วล่ะ ทุกวันทุกวันน่ะต่อให้ฉันรู้หรือไม่รู้อะไรก็ตามแต่ว่าถ้าจะมีวิชาเกิดขึ้นทางที่จะมาตรงนี้มีผู้นำที่นำไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำมาเนี่ยให้เกิดความรู้ขึ้นเนี่ยทางที่ท่านนำมาตรงนี้แหละทางตรงนี้แหละคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเป็นมรรคมันไม่เหมือนเรื่องสุขและวถูกกันนะสุขทุกเนี่ยท่านจึงจัดอยู่ในหมวดของ ทุกขะริยสัจแต่ทางที่จะให้เกิดความรู้เนี่ยที่จะนำออกจากเจ้าสุขและทุกเนี่ยคือจัดไว้ในอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาคือทางหรือปฏิปทาที่ทำให้ทุกเนี่มันหายไปดับไปได้ทางนี้ก็เป็นอริยสัอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่้ทุกขตะกี้ที่ว่าสุขทุกขมีได้ตามเงื่อนไขปัจจัย เป็นอริยสัจในข้อที่หนึ่งหรือว่าทุกข อ, อริยสัจเอาทําไมต้องแยกกันด้วยอ่ะเพราะหน้าที่มันทําต่างกันสุขทุกเราแค่ทําความเข้าใจเออเขาเข้าใจยุว่าเออเนี่ยมันมีสุขได้มันก็ต้องมีทุกข์มาเปรียบใช่ไหมจะรู้ถึงอิ่มได้ก็ต้องมีหิวมาเปรียบจะรู้ว่าร่ํารวยได้ก็ต้องมีความยากจนมาเปรียบโอเคอันนี้เห็นได้อยู่เข้าใจ ตรงนี้ต้นเียในขณะที่เรื่องปัญญาเรื่องความรู้เรื่องกําจัดอวิชชามันต้องพัฒนาคือจากไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องทําให้รู้อ่ะจากไม่มียังไงก็ต้องทํางงทให้มีอ่ะแล้วพัฒนาเนี่ยจากที่มีอยู่แล้วยังไม่ดีเต็มที่ต้องทําให้มันดีขึ้นด้วยนะดีอยู่แล้วทําให้ดีขึ้นไปอีกนะมีอยู่แล้วทําให้ละเอียดลงไปอีกนะ ทำให้ละเอียดพัฒนาตรงนี้ใช้คำว่าภาวิตาคือการภาวนานั่งคือริยสัจในข้อที่สี่ในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบกับอริยสัจในข้อที่หนึ่งคือทุกขอริยสัจถ้าในให้ทำความเข้าใจใช้คาว่าปริญญาปริญญายะคือทำความเข้าใจในทุกในสุขในอทุกขมสุขแต่พอภาวนาภาวิตาพัฒนาคือใน ปัญญาศีลสมาธิปัญญาคือสมาธิตีสัมมาสังกปปะศีลคือสัมมาวายามะสัมมากรรมันตะและสัมมาชีวะส่วนสมาธิคือสัมมาวายามะสมาสติและสมมาสมาธิเหล่านี้เป็นทางตัวฟังเป็นทางที่เราต้องพัฒนาเป็นทางแห่งการพัฒนาจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านแยแยแจกแจงนี่ท่านคลี่ออกเปิดออกฉายไฟให้เห็นบอกทางไวิชัดเจนว่าไอ้ที่ยุ่งเหยิงลุงตุงนางพลกันพันกันมัว่วด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาด้วยตัะหาไม่รู้ด้วยซ้าว่าแม้ไม่รู้อะไรทางที่จะเอาเจพกนั้นเนี่ยแย่เข้ามาทางหนึ่ง ทางที่จะแยกไอ้เจ้าทุกข์กับตัณหาที่มันปนกันมั่วเนี่หนึ่งคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดประการพอแยกกันออกมาแล้วใ น, นตัวฝังมันก็คือพ้นจากกันได้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ก็แยกออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาถูกทำให้ดับไปแล้วแยกออกจากกันไปแล้วด้วยมรร สิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็อยู่ไม่ได้มันก็คือหมายความว่าไม่เป็นทุกข์กับเราอีกต่อไปไงจึงพ้นทุกข์ไงมีทุกข์จึงพ้นทุกข์เพราะรู้ซึ่งความทุกข์มันเหมือนคำกลวมนะแต่ถ้าเราใช้ปัญญานี่มันเข้าใจได้อยู่เหมือนคำาควมตรงที่ว่าเอ้าเมื่อสรุปว่ามันมีทุกข์หรือมันไม่มีทุกข์กันแน่แต่เห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ความทุกข์เอ้าล้าพ้นทุกข์ได้ยังไง ไม่ใช่พ้นเพราะความทุกข์นะแต่พ้นเพราะปัญญาที่เห็นความทุกข์นั้นว่าทุกเนี้ยมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นคือไง่ายสุขถูกบรรเทาได้โดยทุกทุกก็ถูกบรรเทาได้โดยสุขหมุนไปเวียนมาไม่รู้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้แหละมันผลกันอยู่นะไอ้ความไม่รู้คืออวิชชาสุขทุกข์นั่น คือขันห้าขันห้ากับวิจารตันหาปนด้วยกันเราแยกมันออกทั้กังปาอิเฉาสิ่งที่เป็นความไม่รู้ออกด้วยปัญญาคือความรู้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวยกขึ้นมานั่นคือสมาธิสมาธิจะตั้งอยู่ได้ต้องมีสานที่ตั้งที่เหมาะสมหนึ่งคือศีล ศีล ส, สมาธิปัญญามันจึงมากำจัดจัดการกับเจ้าอวิชชาเจ้าตันหาให้เราเกิดความรู้ตามทางที่ท่านอธิบายมากาปรปฏิบัติตามทางนี้คือการพัฒนาละพัฒนาจิตของเราจากที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาให้มันมีศีลสมาธิปัญญาบ้างพัฒนาจากที่มีศีลสมาธิปัญญาบ้าง ให้มันมีดีมากยิ่งขึ้นจึงจะอยู่เหนือจากความสุขและความทุกข์ที่มันบรรเทากันและกันไปได้นั่นคืออยู่เหนือจากกองทุกข์อยู่เหนือจากขนาันห้าด้วยปัญญาพอเหนือแล้วทุกาม่ฟังจะสามารถเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นในสุขและทุกข์ทั้งสองหรือนี่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ตอนที่เป็นโพธิสัตว สมัยที่เป็นพระราชาแล้วถูกเบียดเบียนมีความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเนี่ยทมานผูฟังบางทีมันก็เป็นความทุกข์ที่ทนได้ง่ายหน่อยสุขและทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีสภาวะที่มีเที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าความทุกข์ที่เป็นทุกขกเวทนานี่มันทนได้ยากหน่อยความทุกข์คือสุขเวทนานี่มันก็ทนได้ง่ายหน่อย แต่ทั้งสองอย่างเป็นทุกข์เหมือนกันทนได้ง่ายทนได้ยากหมายถึงมันสังเกตได้ง่ายหรือสังเกตได้ยากสุขเวทนาเป็นความทุกข์ที่ทนได้ง่ายหน่อยมันก็สังเกตยากหน่อยสังเกตยากหน่อยเพราะว่าเรามักจะเพลินไปยินดีพอใจในความเพลินมันนินเนี ย, น, ยนุ่มๆสมูทสมูทที่เราสังเกตได้ยาก มันจึงมาในรูปของสุกวทนาคือความทุกข์ที่มาในรูปของสุกวทนาแต่ทุกขเวทนาเนี่เป็นทุกข์ที่เราสังเกตได้ง่ายหน่อยโอ้ประวัาิทนได้ยากไมันแบบโอ้เสียดสีกูกล่าวเผาไหมเนี่ยมันจึงมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มันก็เห็นง่ายหน่อยเห็นชัดเจนหน่อย คนเราที่รักสุขเกลียดทุกข์มันก็จึงถูกล็อกอยู่นในความทุกข์ทั้งหมดอยู่ในเวทนาทั้งหมดคิดว่าเวทนานีเป็นโอ้โหสิ่งที่เราต้องตามหาเลยจะเอาแต่ความสุขความทุกข์ไม่เอาเหมือนคนที่ล่องมาตามกระแสะน้ำํำแต่ บ, บ่ฝังกระแสะน้ําเชี่ยวกราดเลยล่องไปล่องไปโอ้ตายละหบางทีมันความเร็วมากเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เรือก็ไม่มี ตกมาในน้ำเราก็ต้องหาที่จับที่ควา้าแหละมีอะไรเช่นใบไม้ใบหญ้าที่มันลู่มาอยู่ตรงกลางกระแสะน้าก็จะเอื้อมมือจับไปหมดแต่พอเอื้อมมือจับไปด้วยความแรงของกระแสน้ำก็จะทาให้ไอ้เจ้าใบหญ้าใบไม้อะไรที่เราจับนี่มันหลุดติดขาดคามือเราไป ยิ่งจะน่ากลัวตกใจมากกว่าเดิมอีกความเพลินฝังเหมือนกระแสที่พัดพาใ จ, จเราไปสิ่งที่จะย้อยปรกรงมาให้เราจับให้เรายึดให้เราคว้าไว้เหล่านั้นคือขันห้าหมายถึงเวทนานี่แหละถ้าเราเอาเวทนาเป็นหลักนี่มันไม่ได้เราต้องเอาแก่งหินก้อนหินตรงไหนมันจะเกาะได้ ลิงที่มันคงการเข้าไปเกาะสิ่งนั้นนนคือการเอาเป็นที่พึ่งเหมือนมเหมือนกันนะการจับยึดถือเหมือนเราไปจับใบไม้มันจะคานหลุดรูดออกมาเลยไม่เอานั่คือความยึดถือแต่แก่งหินเราต้องไปหากอบไปหาจับเอาการเกาะนี่คือสาระจิตเราจะให้มีปัญญาเกิดขึ้นได้ เราต้องมีที่พึ่งไงตัวหวงมีพุโทโธธรรมโมสังโฆตั้งเอาไว้ศรัทธาข้อ น, นี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ต่อเนื่องมาด้วยศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิหนุนนำขึ้นก็จะสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้ในความทุกข์ทั้งที่มาในรูปที่ตนได้ง่ายคือสุขเวทนา ทางที่มานในรูปที่ตนได้ยากคือทุกเวทนาอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกได้เรียสซีในะตรรมฟังมันจึงสาคัญมากเลยทีเดียวสาคัญให้เราได้แบ่งแยกแยกแจกแจงให้เราเห็นทางได้ชัดเจนเห็นวิธีการทำงานของมันความเป็นอันตรายหรือความเป็นประโยชน์อย่างไรอย่างไรแล้วไม่ใช่กาบไปดีในจาก Pa เปอร์ ที่เขียนไว้เท่านั้นแต่ลงมือทําแล้วก็ได้ผลดีตามที่เขียนไว้นั้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจนารณากายตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการกันมานี่กายกตาสติตั้งไว้เห็นความสุขเห็นความทุกข์ในกายด้วยปัญญาอย่ามึนงงด้วยตัณหาหรือความไม่รู้ให้ใช้ความรู้ที่อยู่ในเรียะสะสีเป็นแนวทาง ออกชาความทุกข์มาแล้ววิธีการปฏิบัติทำอย่างนี้ต่ผู้ฟังตอนในช่วงท้ายของรายการจิตตะวิเวกที่เป็นการพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิปฏิบัติที่จะมาพบกันในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแง่งประเทศไทย หรือว่ากรือกายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆต่อมาฟังที่เป็นแฟนรายการเราก็มีช่วงเวลาที่จะให้พบเจอกันปีละครั้งซึ่งในปี2567นี้ก็จะจัดในวันที่21มกราคมในหอประชุมของทัเรือเป็นวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567 ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีให้เป็นมงคลปีใหม่เพิ่มปูนความหวังและปัญญาในงานขุมทรัพย์แห่งใจท่านผู้ฟังต้องการจะมาร่วมงานในวันที่21มกราคมนั้นก็ให้กรอบฟังไว้ก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้ทราบจำนวนผู้คนที่จะมาเตรียมสถานที่อะไรให้พร้อม โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .ORG/newyear หรือ l i n k dd.co/newyear ก็ได้ที่เว็บไซต์นี้ทุกฝังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านประศิป์เรื่องราวประกอบมีการทำสรุปไว้ให้ว่าสิ่งที่พูดหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรและยังสามารถส่งคำถาม และแจ้งจำนวนของกลุ่มตัวเองที่จะเดินทางมาได้โดยการลงทะเบียนจริงๆนั้นก็จะทำที่นั่งงานนั่นแหละแต่ว่าสำหรับเพื่อให้เรารู้ก่อนว่าจะต้องเตรียมที่นั่งที่แรงต่างๆเท่าไหร่ <c oughs> ก็อยากจะให้ระบุแจ้งจำนวนเอาไว้ให้ทราบด้วยโดยภารกิจของตำรวจฟังที่ไปร่วมงานนั้น <c oughs> ก็จะมีการให้เสียงดวงทม เพื่อกำจัดความกังวลใจคนหาสมบัติในจิตด้วยการทำสมาธิฟังธรรมแล้วรับของขวัญเพื่อทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรมสี่ประการและนอาจากนี้ในช่วงเวลานั้นก็จะมีการจัดรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเอ ง, งประเทศไทยนี้ในวันที่20สมรกราคมคือวันเสาร์ คุยคุณเตือนใจวันอาทิตย์ที่ยี่สิดและวันจันทร์ที่12ที่จะเป็นการจัดรายการสดสามารถรับสายพูดคุยกับตัมบูฟังที่โทรมาจากทางบ้านได้ในช่วงของจินตาวิเวกที่จะมาพบกับตัมบูฟังเป็นประชาในทุกวนังการก็ขอลาไปก่อนรายการนี้จะโดยมูนิธิปัญญาเปาณา โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไยบูญ์ญอาพีปุลโนเป็นผู้ดูแนรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริาพาน